้อความในมหาประทานสูตรต่อจากครั้งที่แล้วที่ได้กล่าวถึงพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งเจพระองค์นนอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระองค์มีพระชนมายุในยุคประมาณ8 0ดห0ปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีประมาณเจ0ดหปี พระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวเวสภูประมาณหกหมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสามพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะประมาณสี่หมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะประมาณสามห 0,000 ื่นปี พระชนมายุ ข, ของพระผู้มีพระภาคอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสะประมาณสองหมื่นปีดูก่านที่สูทั้งหลายชนมายุ ข, ของเราในบัดนี้มีประมาณไม่มากคือน้อยนิดเดียวเนี่ยนะผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างนานก็เพียงร้อยปีบางทีก็น้อยกว่าไม่ถึงร้อยก็มีบางทีก็เกินกว่าแต่ก็ร้อยหกสิบปีอย่างพระพากุละที่กล่าวไปแล้ว ถ้ากล่าวสังเกตดูนะวิธีกำหนดง่ายๆก็คือ8 0 0 0 0นะมีพระผู้มีพระภาคกะ น, นะ8็ด0ม0 0 0 0 0แล้วก็สี0 0มื0 0ส0อง่ะนะแล้วก็ร้อยปีลดหวบมากเลยกันกนะลดกน่าตกใจเลยน ะ, ะคือถ้ามีคำถามว่าเหมือนกับว่าโหพอถึงช่วงมนุษย์อายุ 80,000 ปี พระพุทธเจ้าวิปัสสีเกิดขึ้นมนุษย์ก็อายุลดมาเรื่อยๆจนถึงอายุเจ็ดหมื่นปีทัสสิกีเกิดขึ้นลดมาเหลือหกมื่นปีพระเวสภูเกิดขึ้นลดมาเหลือสี่มื่นปีพระพุทธเจ้ากักุสันธาธเกิดขึ้นเหมือนๆ อ, อย่างว่าลดมาถึงสาม0มื่นปีพระพุทธเจ้า น, นะกับโกนาคามณะเกิดขึ้นลดมาเหลือสองหมื่นปี พระพุทธเจ้ากับสปะเกิดขึ้นเหมือนกับลดลงมาเหลือร้อยปีแล้วพระพุทธเจ้าโกนาโคตมะพระพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้นเหมือนว่าในกลับเดียวกันนะฟังดูเหมือนเรื่องเราอยู่ในกลับเดียวกันแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้นเมื่อ91กลับที่แล้วพระองค์เกิดในยุคมนุษย์อายุ8ปดหมื่นปีพระพุทธเจ้าสิกขีกับเวสภูนั้นเมื่อ31มสอ็ดับทันเก้าเอ็ดลดหักออกสาอดนี้ก็ว่างตั้ง ห้าสิบเก้ากับระหว่างช่วงนั้นนะห้าสิบเก้ากับเต็มๆ เ, เลยอะ่ะไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นอันนั้นก็มีระหว่างหัวระหว่างท้ายเท่านั้นพุทธศาสนาว่างอันนั้ห้าสิบเก้ากับเต็มๆ เ, เล ย, เนยนะในห้าสิบเก้ากับไม่มีไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ในกลับเดียวกันเนี่ยนะในกลับที่พระพุทธเจ้าพระนามวาสิขีกับเวสภูเนี่ยนะหมายความว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่า สิีนั้นมนุษย์อายุประมาณเจ็ดหื่นปีแล้วก็ลดลดลดลดลดลดจนถึงเท่าไรลดเหลือสิปีแล้วขึ้นไปจนถึงอสงไขยปีแล้วลดมาจนถึงประมาณห0 0 0 0่นปีพระพุทธเจ้าพานาว่าเวาสภูนั้นจึงเกิดขึ้นน้่นก็กลับเหล่านั้นก็หมดไปโลกว่างจากพระพุทธศาสนาเต็มๆเลยประมาลย9สกาถึง3 0บกัไม่มีพุทธศาสนาเลย มันมาถึงกับนี้ก็มีพระผู้มีพระภาคเจ้าพนามว่ากากุสันธะเกิดขึ้นนะนะก็คือมนุษย์ต้นกับแล้วก็โลดมาจนถึงมนุษย์อายุประมาณสี่หมื่นปีพระพุทธเจ้ากาบกุสันธะเกิดขึ้นท่านบอกว่ากําหนดอายุของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาไว้ห้าส่วนหมายว่าสี่หมื่นปีนี่ก็หารห้าพระองค์นั้นดํารงอยู่สี่ส่วนเมื่อถึงส่วนที่ห้าก็จะปรินิ พ, พานย่างเข้าส่วนที่ห้าก็จะ ปรินิพานเพราะนั้น 40,000 ปีเนี่ยนะหารห้าได้เท่าไหร่ห้าสี่ก็พระองค์ก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็จริงๆพระองค์ก็อยู่ประมาณ 30,000 กว่าปีท่านเองนะนะประมาณ 36,000 ปีเอ่อ 35,000 ปี 32,000 ปีนะประมาณนั้นนะ่ะ ก, ก็อยู่อยู่ไม่ไม่ประมาณนะั้น 30,000 กว่าปีานะไม่ถึง 40,000 ปีเต็ม ทีนี้พอมาถึงกับเดียวกันก็คือกลับของเราทั้งหลายตอนที่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากาบกุสันทอุบัติขึ้นนั้นสัตว์ทั้งหลายในยุคนั้นหรือมนุษย์ในยุคนั้นมีอายุสี่หมื่นปีพอครบสี่อ่นนะช่วงนั้นพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นหลังจากหมดพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากาบกุสันท่มนุษย์ทั้งหลายก็าอายุลดน้อยถอยลงโดยลําดับนะมนุษย์ก็อายุลดน้อยถอยลงโดยลําดับจนถึงประมาณ พระ10ปีสิปีก็ขึ้นไปจนถึงอสงไขยปีแล้วก็ลดลงมาเหลือส 0,000 ื่นปีจึงมีพระพุทธเจ้าโกนาคมณะเกิดขึ้นเสร็จแมนุษย์ก็อายุลดมาจนถึง10ปีแล้วขึ้นไปใหม่จนถึงอสงไขยปีแล้วลดลงมาถึงประมาณสองห 0,000 ื่นปีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสะจึงเกิดขึ้นแล้วก็ลดลงมาจนถึง10ปีแล้วขึ้นใหม่จนถึงอสงไขยปีแล้วลดลงมาถึงประมาณร้อยปีพระพุทธเจ้าของเรา ยังเกิดขึ้นีน่มาขึ้นมาหาประทานสูตรข้อต่อไปเลยต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้ข้อหพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพี่สูตรทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีตรัสรู้ที่ควงไม้แค่ฝอย คำว่าตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้ที่สถานสถานที่ตรัสรู้เนี่ยนะที่บอกว่าพราะองค์ตรัสรูท้ที่ต้นแค่ฝอยเขาบอกว่าต้นแค่ฝอยต้นนั้นเนี่ยนะสูงถึงร้อยศอกในวันนั้นลําต้นเนี่ยพุ่งขึ้นขึ้นไปข้างบนใน้ห้าสิบศอกกิ่งก็แตกขยายสูงขึ้นไปอีกห้าสิบศอกอันหนึ่งต้นแค่ฝอยนั้นในวันนั้นน่ะมีดอกดุดติดชอบปกคลุมเป็นอันเดียวกันตั้งแต่โคนต้น เปลญทิพก็ฟุ้งไปเนี่ยนะแล้วก็ดอกไม้ที่ออกดอกบานสะพรั่งงดงามไม่ใช่แต่ดอกแครไฟอย่างเดียวเท่านั้นนะแม้แต่ดอกแครไฟในหมื่นจักรวาลหรือดอกไม้อื่นๆก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นบานทั่วไปหมดต้นไม้ทั้งหมดในหมื่นจักรวาลก็บานเหมือนกับกอปทุมบานที่กอคือประทุมเนี่ยมีหลายพันนะประทุมบางพวกบานอยู่ที่กอบางพวก บานที่ก้านบางพวกบานที่สายเกว่าอากาศประทมก็บานบนอากาศบัวหลวงนะครับกว่าบัวหลวงก็บานพวกบัวหลวงทั้งหลายก็ที่ผุดจากพื้นดินก็บานขึ้นแม้มหาสมุทรก็ดารดาษไปด้วยประทมห้าชนิดปกติเนี่ยไม่เคยมีทะเลที่ไหนมีดอกบัวขึ้นหรอกแต่ว่านี้เป็นพิเศษว่าช่วงที่พระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ขณะนั้นเนี่ยดอกบัวทั้งหลายก็จะบานมีบัวในหมื่นจักรวาลเนี่ยนะได้มีกลุ่มดอกดอกไม้เนี่ยคล้ายทงเกลื่อนกลาดไปด้วยพวงดอกไม้เนื้องแก่กันและกันเนื่องแก่กันนะกองดอกไม้ณที่ร่วงนะที่นั้นนแพรพรายแพรพราวไปด้วยดอกไม้สีต่างๆเช่นเดียวกับสวนนันทวันสวนจิลดาวันมิรรรรักัลวันปารุสศกศัลวันก็คือสวนสวรรค์ในชั้นดาวดึงนั่นเอง เรียบเหมือนยกธงขึ้นนะริมขอบจักรวาลด้านทิศตะวันออกจอดริมขอบจักรวาลด้านทิศตะวันตกดุดธงยกขึ้นนะริมขอบจักรวาลด้านทิศตะวันตกที่ใต้ทิศเหนือจอดริมขอบจักรวาลด้านทิศใต้ได้เป็นจักรวาลอันสมบูรณ์ด้วยสิริของกันและกันอย่างนี้ะนะมีแต่ความงดงามทั้งหมดเลยที่เป็นอย่างนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าระหว่างการสร้างบารมีของพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ย พระองค์เอาดอกไม้ทําเป็นพุทธบูชาเป็นต้นบูชาผู้ที่ควรแก่การบูชาโดยใช้ดอกไม้ของหอมเป็นเครื่องบูชาเนี่ยตลอดระยะเวลาสี่อสงไข่แสนกับหรือ8ปดอาศงไข่แสนกับ16อสงไข่แสนกับปริมาณดอกไม้ที่พระองค์ทํำพุทธบูชากี่ดอกเพราะฉะนั้นผลแห่งบุญเหล่านั้นก็ตามเพลิดผลให้ให้พระองค์ได้ประสบพบเห็น ในสิ่งที่พระองค์ได้เคยกระทามาเนี่ยนะทัานพวกดอกไม้อะไรเป็นต้นก็เหมือนกันนะหลายๆอย่างมันต้องรีบมาให้ผลนะเรียบมาให้ผลเดี๋ยวไม่มีโอกาสจะให้ผลแล้วทบุญหลายๆอย่างก็ปรากฏประจัอ่าปรากฏประจับขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพิ่มพิเศษนิดหน่อยบอกว่าตรัสรู้เนี่ยนะตรัสรู้ก็คือมาจากคำว่าอภิสัมพุโทโธอภิสัมพุโทโธหรือตรัสรู้เนี่ยนะอภิบวกสัมพุโทโธ ห ม, หมายถึงการแทงตลอดคุณความเจริญเสด็จอันเป็นพุท ธ, ธะคือแทงตลอดความเป็นพระพุทธเจา้าคุณคือพระพุทธเจา้าความเจริญอันเป็นของพระพุทธเจา้าเสิรจอันเป็นของพระพุทธเจา้าก็คือการตรัสรู้ยิ่งซึ่งอริยสัจสีพระพุทธเจ้าประทับนังน่งณโคนต้นไม้ใดแล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าต้นไม้นั้นเรียกว่าต้นโพเช่นพระพุทธเจ้า ว, วิปัสสีนั้น ต้นแครอยจะเรียกว่าต้นโพนี่นะจะเรียกว่าต้นโพส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีตรัสรู้ที่ไม้ปุนทริกนี่นะไม้ปุนทริกปุนทริโกเนี่ยนะก็คือหมายถึงต้นมะม่วงที่มีรสหวานต้นบุนทริกเนี่ยนะหมายถึงต้นมะม่วงที่มีรสหวานต้นมะม่วงนั้นมีปริมาณเช่นกับต้นแครอยนั่นแหละ อันหนึ่งในวันนั้นต้นมะม่วงนั้นก็ปกคลุมไปด้วยดอกอันเป็นทิพ์และมีกลิ่นหอมไม่ใช่มีแต่ดอกอย่างเดียวผลมะม่วงก็ดกด้วยมะม่วงนั้นนะในต้นเดียวกันเนี่ยมีทั้งผลอ่อนผลปานกลางผลยังไม่แก่จัดผลที่แก่จัดมีรสอร่อยและก็รสของมะม่วงนั้นอ่ะมีโอชะดุดใส่ทิฟ์โอชะลงไปมะม่วงก็ห้อยย้อยเหมือนกับมะม่วงเต็มต้นนะ ต้นมะม่วงนั้นฉันใดหมื่นจั ก, กรวาลก็ฉันนั้นเต็มไปด้วยผลผลิดดอกออกผลเต็มไปหมดเลยอันนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีตรัสรู้ที่ต้นมะม่วงส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาว่าเวสภูตรัสรู้ที่กวงไม้สาระนะไม้สาระก็คล้ายคายกับนะอย่างไม่รู้ว่าสาระพันอินเดียหรือพันไทยนะ หรือว่าพันศรีลังกาแต่โดยทั่วๆไปนั้นพันพันอินเดียที่บริเวณที่พระพุทธเจ้าปรินิพานน่ยนะมันก็เป็นเหมือนกับต้นไม้จิกไม้รังเราธรรมดานี่แหละส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาว่ากัปุสันทตรัสรู้ที่ควงไม้ศึกน่ยนะไม้ศนะึกส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้า อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกาานาคมาณะตรัสรู้ที่ควงไม้มมเดือพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะตรัสรู้ที่ควงไม้ใส่ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราพูดอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ตรัสรู้ที่ควงไม้อสัทธพฤกอสัทธพฤกก็คือโพใบหรือที่เราเรียกกันว่าต้นโพก็แปลมาตรงตัวเลยก็คือพระองค์ตรัสรู้ที่ต้นโพ บาลังของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยเป็นอย่างเดียวกันสถานที่ตั้งบาลังเนี่ยนะไม่ต่างกันแต่ต้นไม้เนี่ยแตกต่างกันอย่างโพทิบัลังที่พระพุทธเจ้ากะโกสันทโกนาขมณนะกัสปะพระพุทธเจ้าเมตยะที่ตัตสรู้ในอนาคตบริเวณโพทิบาลังเนี่ยนะคือตำแหน่งจุดเดียวกันแต่ต้นไม้ที่อาศัยร่มเงานั่งประทับตรัสรู้แตกต่างกัน เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะจักรู้แจ้งการตรัสรู้คือมัคคยานสีนักควงไม้ใดควงไม้นั้นก็เรียกว่าต้นโพทําไมเขาจึงเรียกว่าต้นโพเพราะว่าตรงนั้นพระองค์ประทับนั่งแล้วตรัสรู้อริยสัจด้วยมัคคยานสีอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยได้ยินอริยสัจนะไม่ได้แปลว่าตรัสรู้อริยสัจเรารู้ด้วยสุตตะมยญาณอย่างเดียว แต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ด้วยภาวนาเมายญาณและมัคคายานมัคคายา น, นนั้นต้องประชุมอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8และตรัสรู้โดยลําพังของพระองค์เองไม่เหมือนกับสาวกที่ฟังแล้วจึงตรัสรู้ได้ของพระองค์เนี่ยประชุมโพธิปักขยธรรมประชุมสติประธานสมมารประธานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงและองมัคเนี่ยนะระดับโสดาปฏิมัคกําหนดรู้ทุกขละสมุทยัยรมนิโรธให้แจ้ง ด้วยโสดาปฏิมัติพระองค์ก็ประชุมโพธิปัจขียธรรมขึ้นอีก น, น, นะนะสติมมประธานสมมาประธานอิทิบาทอินทรียพละโพชงและองค์มัคเพื่อกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งด้วยอนุภาพของสกะทาคามีมัคพระองค์ก็รวบรวมโพธิปัจขียธรรมนะนะรวบรวมสติรสมมประธานสมมาประธานอิทิบาทอินทรีย์พล ะ, ะโพชงและองค์มัคคืออรารยมัคอันประกอบเป็นทองค์8 เพื่อกําหนดรู้ทุกละสมุทัยธรรมนิโรธให้แจ้งด้วยอนุภาพของอนาคามิมักและพระองค์ก็รวบรวมโพธิปัจจะธรรมอีกเนี่ยนะพิจารณาสังขารทั้งหลายเพิ่มพูนโพธิปัจจะธรรมเพื่อกําหนดรู้ทุกละสมุทัยธรรมนิโรธให้แจ้งด้วยอนุภาพของอรหัตตมักทั้งตัวมักขยานที่ประชุมโพธิปัจจะธรรมเนี่ยนะแต่เน้นพิเศษคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8พระองค์ประทับนั่งณนะ โคนต้นไม้บัลลังก์นโคนต้นไม้ใดประชุมคุณธรรมเหล่านี้ได้ต้นไม้นั้นเรียกว่าต้นโพเรียกว่าต้นโพอันนี้เป็นการกําหนดสถานที่ตรัสรู้เนี่ยนะพอถ้าพูดถึงต้นโพต้นไม้เนี่ยเป็นโดยปกติแล้วไม่ใช่ว่าจะขุดถอนเอาไปที่อื่นได้ง่ายๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงต้นไม้ที่ตรัสรู้ก็แปลว่าพูดโพที่บัลลังก์สถานที่ที่พระองค์ประทับนั่งแล้วตรัสรู้ด้วย